สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธยาพิบาะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตบทที 23, ่ี่ิข้อ1 7บเถึงี่สุภาษิตบทที 23, ่ิ์ข้อบททถึงี่ 23-17-25 โปรดฟังพระว จ, จนะของพระเจ้าอย่าให้ใจของเจ้าริษสยาคนบาปแต่จงดําเนินในความยำเกรงพระเจ้าวันยังคำ่ำมีอนาคตแน่นอนทีเดียว และความหวังของเจ้าจะมิดได้ถูกตัดออกบุตรชายของเราเ อ, อ๋ยจงฟังและจงฉลาดเถิดและนำใจของเจ้าไปในทางนั้นอย่าอยู่ท่ามกลางคนดื่มเหล้าอางุ่นหรือท่ามกลางคนตะกะกินเนื้อเพราะคนขี้เมาและคนตะกะจะมาถึงความยากจนและความง่วงเหงาจะเอาผ้าขีริ้วห่มคนนั้นจงฟังบิดาของเจ้าผู้ให้กำเนิดเจ้า และอย่าดูหมิ่นมารดาของเจ้าเมื่อนางแก่จงซื้อความจริงและอย่าขายไปเสียจงซื้อปัญญาวิเนยและความรอบรู้บิดาของคนชอบธรรมจะเปรมปรีอย่างยิ่งบุคคลผู้ให้กำเนิดบุตรชายที่ฉลาดจะยินดีด้วยกันกับเขาจงให้บิดามารดาของเจ้ายินดีจงให้ผู้ที่คลอดเจ้าเปรมปรี พี่น้องครับในชาวันนี้พรวนจะนะของพระเจ้าสามารถสรุปเป็นถ้อยคําอีก4ถ้อยคําด้วยกันครับหรือ4ประเด็นด้วยกันเป็นประโยคที่13ครับประโยคที่13นั้นปรากฏอยู่ในข้อที่สิบเปเป็นประเด็นของเรื่องการอิจฉาคนบาปครับการอิจฉาคนบาปและอยากทําในสิ่งที่เขาทำนั้นถือว่าเป็นเรื่องไร้สาระเป็นการสิ้นคิดเพราะว่า คนบาปนั้นไม่มีความหวังพี่น้องครับเราจะต้องมองทะลุไปนะครับเลยความตายไปอีกครับเราก็จะเห็นความไม่ยั่งยืนของคนบาปเป็นการง่ายครับที่เราจะอิจฉาคนบาปเพราะว่าดูดูไปแล้วในโลกนี้เนี่ยคนบาปมักจะประสบความสําเร็จใช่ไหมครับพี่น้องครับเพิพ่มพีบอกว่าอย่าให้ใจของเจ้าริษยาคนบาปถามว่า คนบาปนั้นมีอะไรให้เราอิจฉาริษยาบ้างนั่นก็คือความรุ่งเรืองร่ํารวยการประสบความสําเร็จในทางที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ถูกต้องเรื่องต่างๆเหล่านี้ครับทําให้คนชอบธรำหรือทําให้ลูกของพระเจ้านั้นอิจฉ า, าอยากจะเป็นอย่างที่เขาเป็นอยากจะทําอย่างที่เขาเป็นอยากจะทําอย่างที่เขาทําเพราะฉะนั้นพี่น้องครับพระเจ้ากําลังดึงเรากลับมาเพราะว่าพวกเขานั้นไม่มีความหวัง ไม่มีความหวังเลยนะครับไม่มีความหวังในโลกหน้าไม่มีความหวังในเรื่องของชีวิตหลังจากความตายไปแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาจะต้องถูกพิพากษาแน่นอนพี่น้องครับเราต้องเป็นคนที่มีปัญญาและมีความยำเกรงพระเจ้าเราจะเห็นว่าความสนุกสนานความรุ่งเรืองชั่วประเดียวประดาาเพราะเหตุที่เขาทำบาปเขาไม่ซื่อสัตย์เขาคดโกง ไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับความสุขที่เราจะได้รับเมื่อเราได้ชีวิตนิรันดร์พองครับนี่คือความหวังในการรอคอยและเป็นความหวังในการที่เราจะดำเนินชีวิตอยู่ในการยำเกรงพระเจ้าครับเพิ่มพีบอกว่าจงดำเนินในความยำเกรงพระเจ้าวันยังคำ่ำมีอนาคตแน่นอนทีเดียวและความหวังของเจ้าจะมิได้ถูกตัดออกพี่น้องพี่น้องครับ โปรดจำไว้ว่าการที่จะหลีกเลี่ยงการอิจฉาคนชั่วร้ายนะครับต้องมีมุมมองที่ยาวไกลนะครับเราควรจะล้อนลนเพื่อรับใช้ประเจ้าด้วยความยำเกรงพระเจ้าอยู่เสมอการมองขึ้นไปการมองไปข้างหน้าเห็นไหมครับการมองขึ้นและการมองไปข้างหน้าเป็นเรื่องที่สำคัญครับต่อไปครับเป็น ท่อยคาที่สิบสี่ครับท่อยครที่สิบสีได้บอกว่าบุตรชายเราเอ๋ยจงฟังและจงฉลาดเถิดแย่นําใจของเจ้าไปในทางนั้นอย่าอยู่ท่ามกลางคนดื่มเหล้าองุ่นหรือท่ามกลางคนตะกะที่กินเนื้อเพราะคนขี้เมาและคนตะกะจะมาถึงความยากจนและความง่วงเหงาจะเอาภ้าขีริว้วห่มคนนั้นเพียงครับตรงนี้พูดถึงเรื่องของการกินและการดื่มการที่เราจะกินและดื่มนั้น ก็ขอให้อยู่ในการควบคุมและการบังคับตนครับการไม่ตามใจตัวเองในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะเหตุที่ว่าการตามใจตัวเองมากเกินไปนะครับในเรื่องของการกินอาหารและการดื่มสามารถนำไปสู่ความขี้เกียจขี้เศราได้จากนั้นก็นำไปสู่ความยากจนครับพี่น้องครับเราควรจะหลีกเลี่ยงมิตรภาพกับผู้คนที่เป็นคนตกะกะ กินเนื้อขี้เมาต่างๆเหล่านี้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ใกล้ใครอิทธิพลของเพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนที่ตะกะเหล่านี้รุนแรงครับแล้วมันจะติดตัวเราทําให้เรานั้นได้มีพฤติกรรมแบบเดียวกันกันกบเขาพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังประกอบกับใจปรารถนาครับที่เราจะต้องมีความต้องการมีความอยากเดินในทางที่ถูก แต่นี่คือหนทางที่เราจะแสดงว่าเรามีปัญญาของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราพี่น้องครับให้เราหลีกหนีหลีกหนีเสียจากการดื่มเหล้าครับและความตกะกะเพราะความบาปทั้งสองนี้จะนําไปสู่ความซึมเศร้าเชื่องซึมเกียดค้านและยากจนนี่คือถ้อยคําที่14ครับบางท่านอาจถามว่าการกินเนื้อผิดด้วยหรือ แท้จริงแล้วในสำนวนของพระกัมภีขอ้อนี้คำว่ากินเนื้อนั้นมีความหมายว่าเนื้อนั้นเป็นอาหารของพวกคนไฮโซเป็นพวกหรูหรารักชารนะครับ l u กชาเพราะฉะนั้นการกินเนื้อและฝกักใยกับการกินเนื้อหมายความว่าจิตใจของเขาเนี่ยนะครับก็ฝักใยอยู่กับอาหารที่หรูหราและตกะตกะตะกะก็คือว่า กินมากไปทำอะไรที่เกินตัวนั่นแหละครับคือความหมายตรงนี้และทําให้เรารู้ว่าอะไรก็ตามที่เรากินเกินตัวดื่มเกินตัวมีชีวิตอยู่เกินตัวอยู่ในความหรูหราฟู่ฟ้านะครับจะทําให้เราไปถึงความยากจนได้ต่อไปเป็นถ้อยคําที่15ครับอยู่ในข้อที่22 23จงฟังบิดาของเจ้าผู้ให้กําเนิดเจ้าและอย่าดูหมิ่นมารดาของเจ้าเมื่อนางแก่ จงซื้อความจริงและอย่าขายไปเสียจงชื้อปัญญาวิเนยและความรอบรู้พี่น้องครับถ้อยคำที่15หรือประโยคที่15ประเด็นที่15นั้นได้กล่าวถึงคุณพ่อคุณแม่ครับและกล่าวถึงการฟังคำสอนของคุณพ่อคุณแม่เป็นเรื่องที่สำคัญมีการย้ำเตือนเสมอเสมอครับในพระคัมภีร์สุภาษิตนี้และ สุภาษิตเองเพราะวจนะพระเจ้าเองสนับสนุนให้เราเชื่อฟังบิดามารดาและมีความกตัญญูกับบิดามารดามีแนวโน้มครับที่เด็กๆนนวัยรุ่นมักจะอยากจะทําตามใจตัวเองแต่ว่าลูกที่ฉลาดครับเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องให้เกียรติพ่อแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ท่านฉลานะครับหลายหายครั้งทีเดียวเราเติบโตแล้วเมื่อท่านฉลา เรากม็มีความเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเรามีประสบการณ์เรามีความรู้ใหม่ๆเรามีประสบการณ์ใหม่ๆฉะนั้นมันง่ายครับที่จะทำให้นำมาถึงการดูถูกดูหมิ่นหรือสบประมาทคุณพ่อคุณแม่พี่น้องครับการสบประมาทคุณพ่อคุณแม่นั้นถือว่าเป็นความบาปนะครับเป็นการละเมิดพระมหาบัญญัติข้อที่5เรื่องของการให้เกียรติบิดามารดาตรงนี้เองพระพุทธพีบอกว่าให้ชื่อความจริงอย่าขายไปเสีย การซื้อความจริงหมายถึงการทุ่มเททรัพยากรแรงกายแรงใจเพื่อที่จะรู้ความจริงหรือได้มาซึ่งโอกาสที่จะรู้ความจริงและตรงนี้นี่เองนะครับผู้เขียนได้บอกว่าให้เราซื้อปัญญาเราจะซื้ออะไรบ้างครับซื้อความจริงซื้อปัญญาซื้อวิในและซื้อความรอบรู้ความเข้าใจทีนี้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเราจะต้อง ให้ทรัพยากรของเราทุ่มเทลงมาเพื่อที่จะได้ความจริงได้ปัญญาได้วิไนและได้ความเฉลียวฉลาดความรอบรู้ความเข้าใจคําถามของผมก็คือว่าในทุกวันนี้เราได้ใช้ทรัพยากรของเราซื้ออะไรครับซื้อสิ่งที่เป็นของอนิจจังหรือซื้อสิ่งที่เป็นของยั่งยืนถาวรพี่น้องครับ การที่เราเชื่อฟังบิดามารดาไม่ดูหมิ่นบิดามารดาและทุ่มเททรัพยากรของเรานั้นไปเห็นแก่สิ่งที่เป็นของถาวรยั่งยืนก็จะทำให้เกิดถ้อยคำต่อมาครับในข้อที่ 24-25 ิ่ยบห้ที่บอกว่าบิดามารดาของผู้ที่ชอบธรรมนั้นจะเปรมปรีพี่น้องครับอันนี้คือ การเป็นคนฉลาดในสายพระเนตรของพระเจ้าก็คือเราจะต้องรักพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าเราจะต้องไม่ทำสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยในเวลาเดียวกันครับเมื่อเราทำเช่นนี้คุณพ่อคุณแม่ของเราก็ชื่นบานท่านก็หวังที่จะให้เราเป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านก็จะมีความปิติยินดีมีความชื่นชมชื่นบานเป็นอย่างยิ่ง และนี่คือสิ่งที่เพิ่อพีสั่งเรานะครับว่าจงให้บิดามารดาของเจ้ายินดีจงให้ผู้ที่คลอดเจ้าเปรมปรีพี่น้องครับการดำเนินชีวิตในทางที่ดีเชื่อฟังบิดามารดาก็จะส่งผลดีกับลูกหลานของเราด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาจะได้เห็นตัวอย่างครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีความกระตัยูกระตะเวทีวันนี้เป็นวันหยุดพี่น้องครับ เรากลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ของเราแล้วหรือยังคุณคนที่เป็นลูกได้สำแดงความกระตันยูแต่คุณพ่อคุณแม่แล้วหรือยังขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะทำให้ผู้ที่คลอดเราเปรมปรีบิดามารดาของเรายินดีเพราะเราดำเนินชีวิตอยู่ในความสัตย์ซื่อชอบธรรมอเมน